พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปนโนแสดงโปรดคณะหมอมหลวงจิตตินพวงศ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2588ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี การคิดสนปุับปรุงตัวเองเราควรจะรู้สักนิสัยข้างในเพราะนิสัยไม่เหมือนกันคนเดียวกับโรกแม้แต่มีมีเกิดขึ้นในร่างกายของคนคนเดียวก่อนมี รับนต่างๆกันรูปบางพวกพืชก็เพียงกากดขึ้นมาเล็กน้อยการรับยารงไปแล้วกาหายรูกบางพพืชก็หนักเข้าไปยิ่งกว่านั้นยาก็ต้องหักมือลงไปเนเดียับางพกืก็หนักมากถ้ยานะ มีกำลังพอวิญญาณแค่ไม่มีความสลริพอคนนั้นชีวิตของคนนั้นก็อาจจะเสียไปได้การบำเพ็ญตัวของเราก็รวดด้วยเทียบเพ่นเดียวกับยามีโรคที่เกิดขึ้นภายในกาย ็นิดใสของคนเราถ้าจะเทียบกบเปล็อกแล้วก็มีเหล็กสามประเภทประเภทที่เป็นเหล็กกราดเหล็กกลางกลางเหล็กอ่อนเยอะว่าคุณภาพก็อ่อนเหมือนกันเหล็กที่ดี เยี่ยมในข่างก็เป็นช่างที่ฉลาดวิญญจะสามารถทําเหล็กนั้นให้ดีเยี่ยมแต่ถ้าในช่างไมฉลาดเห ล, ห ล, น, เหลนั้นแน่จะเป็นเหล็กที่ดีเยี่ยมตามคุณภาพของตนก่อนเวลาทําให้ชั้นในช่างทําให้ชันเหล็กสําเหล็กลูกแล้วก็ อ, อาจจะลดคุณภาพลง ยิงเป็นนายช่างไม่มีความเล่าเพียงศัต์แต่ว่าช่างเท่านั้นแล้ก็ยิงจะทำเหล็กที่มีที่ดีเยี่ยมนั้นให้เสียแยต่ิะ เ, เหล็กบางจางก่อนมีลักษณะเช่นเดียวกันยิงเป็นเหล็กไม่ดีแล้วมิทำให้เสียเหล็กไปเลยให้รับไปอยู่แต่อย่างได คนเราก็เหมือนกันทุนน่ะในช่างนี้แยกออกได้เป็นสองประเภในช่างภายหมายถึงเราเป็นอาจาย์สอนเราเองหรืออาจารย์ภายนอกอาจารย์ภายในอาจารย์ภายนอกเป็นอาจารย์ที่ตลาดสามาร จะพิบัติปฏิบัติรู้เห็นเหตุผลนั้นตามหลักธรรมะโดยแท้จริงผู้ที่มารับโอวาทหรืออบรมจากคำส อ, สอนของท่านก็เป็นบุคคลที่ปพรเยวเหรียเลเยี่ยมสามารถจะทำผู้มาอบรมนั้นให้รับ แรบประโยชน์เป็นภูมิทั้งหมดถ้าอาจารย์ไม่มีความฉลาดถึงขนาดนั้นผูมาอุบมกนหน้า้าสองก็าจะแรงผลประโยชน์เป็นภูมิ เป็นอาจารย์สักดิ์ว่านามของอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำการสอนผู้มาอบรมซึ่งเป็นประเภทดีเยี่ยมนั้นให้รับผลประโยชน์แต่อย่างไีอาจารย์ลดกันลงมาก็โตรได้เพียงกษณะ น, นี้ เราอาถูบุคคลที่มีปนิสัยหรืงเทียบกับเด็กปัญาร่างอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ลองนำดับกันลงมาผลประโยชน์ที่ทจะถึงที่ถึงจะหน้าก็ต้องลดลงมาเป็นลำหนัก คุณภาพของเหล็กก็ไม่ใช่เป็นเหล็กดีเยี่ยมเลยงนอาจารย์ผู้ที่สอนก่อเหมือนกันอาจารย์ก็ลดผู้ที่มาอบรม ก, ก็ลดผลจะเป็นได้กต้องลดสหมอนกันบางคนระเพิ่ทีสามอาจารย์ก็เป็นปเพททิ่มทีสาม ประโยชน์ที่จะได้จากการอบรมทางด้านจิตใจก็จะปราบกาว้านุ่นวนัยบุตริกฎกฎข้ออาจารย์กฎภาอข้อหาศิลธรารมาที่ถูกต้องแต่ายเป็นวน้มนำเหลวไปอย่างนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยคือผู้มาอบรมกไม็ไม่ไม่รู้เรื่องรุนลางในการอบรม จึงต้องมาอบรมผู้ที่จะให้คำแนะนำส อ, สอนโดยถูกต้องก็ไม่สามารถจะนำธรรมที่ถูกต้องมาแนะนำส อ, สอนเพราะตนไม่รู้แต่ถ้าเป็นครูอาจารย์ที่กล่าวมาประเทศทนี้นั้น ก็อยอมใจรับประโยชน์เพราะอั น, นาจแห่งความเจริญเช่นเดียวกับในช่างที่มีความเจริญแ่อจะเป็นเหล็กไม่ดีก็ยังจะทำประโยชน์ได้เท่าที่ควนก็แก่เหล็กนะเนี่ยประเภทนั้นนั้นเหนมือนย้อนเข้าไปถึงอาจารย์ภายในได้แก่ตัวของเราเองที่จะพยายามอบรมแนะนํนนำ ส, สอนตัวเองนั้น ประเภทที่หนึ่งก็คือต้องสังเกต ร, รูเรื่องนิสัยของตัวเองหอกจากจปฏิบัติต่อตนเองให้มีความหลักเตาแค่ไหนจึงจะพอเหมาะสมกับนิสัยของตนผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเราบำเพ็ญหรือดำเนินขนาดนี้ผลเป็นอย่างไ ร, รต้องสังเกตเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องรู้รื่องวิธีจะปฏิบัติต่อตนเองเราจะเป็นคนยาญขนาดไหนที่มีความละเอียด ขนาดไหนก็จะทราบจากการปฏิบัติต่อตัวเองคือผู้ทีบำเพ็ญได้โ ด, ดยง่ายได้ก็เพียงได้รับการอบรมสอนจากครูอาจารย์มาประกอบพิปิบัติต่ตอตนเองก็เห็นผลไปจากเป็นลำดัปโดยไม่แต่มีความยากลำบากนะากว่าเิื่อสายของเรายัาง หนาเง่นจะไปกว่านั้นหรือหยาบไปกว่านั้นเราก็ต้องเรื่องขอวัดปฏิบัติทางด้านจิตใจของเราเข้าไปให้พอดีกับมิจัยของเราเช่นเดียวกับในช่างพอตีเหล็กทำเรื่องจเป็นโปรเภทหยาบอยู่การตีเหล็กเขาก็ต้อง ลงกำลังแรงถ้าเูกค่อยละเอียดลงไปซึ่งควรจะถึงจุดที่หมายแล้วเขาก็ต้องถ่อนเบาลงไปใจทั้งเราจะอยู่ในขั้นยากการประกอบก็ต้องมีการหนักบ้างเบาบ้าง ถึงจะคุกจะลำบากบ้างก็ต้องฝืนเพราะว่าถ้าจะเทียบกับโรคแล้วคือโรคที่ต้องการยามากอยู่ยาขนาดเล็ก น, น้อยๆที่รับทานไม่ขี่ลงไปในขอก็ต้องเพิ่มปริมาณของยาเพื่อให้ทันกับโรคที่เป็นเท่นั้น เพือ่าถึงอาจารย์ตัวเองก็เภืที่หนึ่งเราเอที่สองก็ลดว่า ก, กันลงมามีความฉลาดรอบคอบต่อการปฏิบัติต่อตัวเองรเราเพื่อที่สามาเลยเหลืองทั่งนั้นม่สามจิตเป็นยังไงภาวนาไม่จิไม่เคยมีความสงบที่ย็นเย็นเลย น่งเป็นสองนาทีสามนาทีก็จะพาแล้วถึงะเจะล่องหาพอ่อหาแม่ไอ้นี่เกียรนี้เหลือเกินถอนนัง่งภาวนาสักนิดหนึ่งก่อนค่อยฆ่ากับเขาเขาตะแรงแจงหรือเทียบกับเขาจะนําศัต้าไปสูส่ที่ผาแท้จริงไม่ใช่เราไม่ใช่ปกเศดสับที่จะนําเข้าไปสู่ที่ผา เพื่อเขียงใคๆ่ๆแต่เราเข้าสู่สถานที่อบลมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแต่เราแต่กลับที่ความคิดไปลคใหม่จึงค้ากับว่าจเจ้าตัวเองเข้าไปค่าและไม่อยากจะทำทำลงบ้างหนึ่งนา ท, หนาทีห้าหนาทีก็คอยแต่จะตั้งกฎเจน ให้ธรรมะบังคับบัญชาให้ธรรมะแสดงผลออกมาภาวนาไม่ห้านาทีหนาทีไม่เห็นปรากฏมีความสงบเย็นเย็นก็จะหยุดนะะตั้งกดเจนให้ตั้งเวลาเวลาให้ธรรมะแทนที่จะตั้งเวลามเวลาตั้งความภาคความเปลี่ยนให้แก่ตัวเลยจะตั้งเวลาเวลาตั้งกดเจนฑ์ข้อกติกาสัญญาทุกหญ่ ให้ธรรมะคำสอนของภูษจจิตาเย็มหมดบำเพ็ญไปบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนเพ่อจะับความลำบากคอยจะเอาจากคะแนนอเมื่อเป็นถึงนั้นจิตมันก็ไม่ปล่อยวางจากความขาดหมายหรือความมุ่งชิงนั้นก็เข้าสู่ปัจจุบันไม่นาะเมื่อจิตไม่ปล่อยวางก็แสดงว่าจิตนี้มีเรื่ อ, อดุ่ม เกียวข้องอยทางภายนอกจิตก็มาอย่างเข้าสู่ความสงบเมื่อไม่เข้าสู่ความสงบความเย็นใจก็ไม่มีเพราะความเย็นใจความสมายใจต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบปราศจากอารมณ์เครื่องกาอกวนจิตใจอืถ้าเป็นถ้าเป็นใครก็ตาม บําเพลินนี้ประกอบธรรมะธํามสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจิตใจของตนโดยยิธีนี้แลผลที่จะปรากฏก็ไม่ค่อยมีเพือความถูกต้องตามหลักการบำเพ็ญของครูมุงนาต่อความจริงซึ่งเป็นทํารับรองของพระพุทธเจ้า ต้องพยายามปรับปรุงตนเองเข้าสู่ธรรมตั้งกฎเกณฑ์ใจตัวเองตั้งความภาคความเพียรบังคับตัวเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเก็บบังคับธรรมของพระพุทธเจา้าให้มาให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นถึงนนั้นจะเสียความมังคงเรา เราบกคล่องจิตตรงไหนพยายามดับแปลงตนหรืปรับตรุงจิตที่บกคล่องนั้นถ้าวันนี้ภาว น, นาได้เท่านี้มีผลอะไรปรากฏขึ้นมาเราต้องสังเกตดูผลที่จะปรากฏขึ้นและในขณะที่นั่งภาว น, นานั้นเราได้ส่งจิตไปที่ไหนบ้างหรือไม่การส่งจิตออกไปตามอำเภอใจนั้น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 หากยังไม่ปรากฏขึ้นมาเอาเพิ่มเวลาเข้าไปอีกนี่เหมือนกับเราเพิ่มยาเพื่อจะแจ้โรคให้หายเป็นลำดับไปจนกว่าจะเห็นผลปรากฏจากการภาวนาของเราว่ามีผลปรากฏขึ้นๆ น, นั้นๆนนผลที่ปรากฏนี้เราจะไม่ต้องไปศึกษาหรือไปถามใครๆทางนั้น ขอแต่หลักของเหตุคือการบำเพ็ญให้สอดคล้อง ก, กันกับหลักธรรมะที่พระองค์หรือครูอาจารย์แนะนทางให้เราทมเมืเม่อองค์ของการภาวนาได้ดำเนินไปตามแนวทางด้วยดีแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยเราไม่ที่เราไม่ต้องไปตั้งกดเกณฑ์เอาไว้เราต้องสังเกตอย่างนี้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 เราจรึงต้องอาศัยการขุดค้นหรือทินิทพิจนาอบรมติดใจของเราให้เป็นการเพิ่มกำลังวาสนาบารมีขึ้นด้วยการกระทำสิ่งที่เคยปิดบังลี้ลับอำนาจมาสนาของเราก็ค่อยจะค่อยจะหายจางไปเป็นน้ำหนักแล้วตัวของเราเองเราก็จะทราบชัดว่า เรานี่แหละเป็นผู้ได้สร้งางวาสนาบารมีมามากน้อยเท่าไหร่ได้ทราบจะจักกับใจขงองเราการทั้งเกียรินิสัยทั้งตนเองกับความเพียรที่จะให้เหมาะสมซึ่งกันและกัน เป็นเรื่องสำคัญอย่างนี้งถ้าศักด์แต่ว่าทำไปเท่านั้นยากที่จะรู้เห็นเหตุผลซึ่จะเกิดขึ้นจากการกาะทำเพียงลอยๆทุกอย่างถ้าเราทำเพียงลอยๆไม่ว่าทั้งโลกทางธรรมไม่ควรจะปรากฏ ผลขึ้นให้เป็นที่ผพอใดังนั้นเราจึงควรสังเกตนิสัยของเรา้านิสัยของเราเป็นนิสัยดีควรจะเข้มแข็งหรือหนักในประโยคพยายามจึงจะปรากฏผลขึ้นมาเราก็ควรจะทำอย่างนั้นเหมือน อย่างเขาทำนานาบางปแปลงทำยากบางแปลงทำง่ายนาของเราเป็นนาที่ทำยากแต่เราจะทำเอาอย่างง่ายได้เหมือนอย่างนาที่เขาทำ ง, าง่ายนั้นไม่ได้พราะนานี้เป็นนาของเรายากเราก็ต้องทำจะไปทำนาผู้อื่นมันไม่ได้ง่ายก็ต้องทำ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 ในคนผู้มีความอิสาพยายามผู้นั้นผู้ที่ทำาูปปากฏดผลได้ง่ายก็มีหน้าที่ที่จะเร่งความภาคความเพียรั้งตนให้ปรากฏผลขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ ฉะนั้นการบำเพ็ญความภาคความเพียรในครั้งพุทธการกับสมัยทุกวันนี้ในบรรด า, า, าพระโยค่าวจระจทั้งหลายจึงมีลักษณะต่างๆกันในประโยคขยยามบางท่านก็ง่ายบางท่านก็ยากยากเกาะเป็นเรื่องนิสัยของเราเราก็ต้องทำ ง่ายเราก็ต้องทำเพราะงานอันนี้เป็นงานของเราเราจะไปรอเวลามเวลาหรือให้เป็นหน้าที่ของครูอินมาทำเพื่อเราหมืออย่างปลูกบ้านปลูกเรือนหรือทำกิจวลตรอย่างอืน่นมันเต็นไปไม่หนัครูอาจารย์ก็เป็นแต่ผู้แนะนำทางให้เท่านั้นส่วนวิธีประกอบ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 กำไรมากมายก็ต้องลงทุนมากผู้ต้องการกำไรเพียงเล็กน้อยการลงทุนก่นเพียงเล็กน้อยท้าเราต้องการจะข้ามไปเสียทีเดียวเพราะไม่ได้มีอะไรที่จะน่าสงสัยแล้วในโลก น, นี้ไม่ว่าโลกนอกโลกใน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 เมื่อเรียนทุกให้จบพิจารณาถึงเรื่องอดีตก็คือเรื่องของทุกที่ปรากฏอยู่ในบัตรนี้จะพิจารณาไปถึงเรื่องอนาคตก็จะต้องเป็นไปเช่นเดียวกับปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ในบัตรนี้้วนกันลงมาสู่หลักปัจจุบันนี้ให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามนีชื่อว่ะเราจะเรียนทุกจบ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 ให้ถอยตัวเข้ามาเป็นลาดับเมื่อจิตได้ถอยตัวเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพิจนารณารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเรื่องภาระของจิตก็มีน้อยเข้ามาความกังวลก็มีน้อยเรื่องของทุกก็มีน้อยนี่เราก็พอจะทราบได้ว่าทุกข์นั่นอะ่ะมันมีอยู่ในจิตในขันนี้เท่นั้นจากกว้างแสนกว้างก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศ หรือธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติของตนไม่ปรากฏว่ามากฎขี่บังคับเราให้รับความชอบธรรมเหมือนกับเรื่องของเราที่มีอยู่กับเราทั้งธาตุขันและจิตใจการพิจนารณาเราก็ไม่ไดยไปจ้างสถานที่ ตลอดถึงบ้านเรือนใครทำงานประเภทนี้ขันก็ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนที่จะต้องพิจารณาสติปัญญาก็มีอยู่กับเราซึ่งเป็นนักปควา้ามีอยู่เพราะมูลในสถานที่นี้หมดมีอยู่อย่างเดียวว่าเราจะ พิจารณาให้ถึงที่ถึงฐานจริงหรือไม่เท่านั้นถ้าพิจารณาให้รู้เรื่องของสัจจะธรรมซึ่งเต็มอยู่ภายในการในจิตของเราอย่างเต็มที่แล้วื่วงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ซึ่งเคยเป็น เครื่องปีดคั้นจิตใจของเราเราก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้ความยืดยืดแห่งภพแห่งชาตินั้นหากว่าเป็นสิ่งที่เรานับไ้า้อ่านได้ได้เขียนไว้เหมือนกับเราเขียนหนังสือแล้วไม่มีกองใดๆที่จะ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 อ่านตลอดกับตลอดกันก็ไม่จบในประวัติของเราคนเดียวนะันเท่านั้นนี่ความยืดยือยดย้อแห่งยืดยื้อแห่งทุกเป็นมาเนี้ถ้าเราได้สามารถได้จารึกความเป็นมาของเราตั้งแต่ต้นพบต้นชาติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะไม่มีแผ่นดินที่ไหน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 ทุกความทามาระมความล้มหายตายจากาพราธะถึงสัตว์แต่สังขานทั้งของเขาของเราขับสนกลตรงนเตกันมาอย่างนี้นมันเต็มไปหมดไม่มีที่ไหนพอจะเอาปลายเข็มแยงลงได้ล่าจะไม่ถูกกองบัญชีของเรา แล้วไปอีกอนาคตข้างหน้านั้นก็คือธรรมชาติจิต ด, ดวงนี้เองที่จะวางร่องรอยของตนไปเป็นลำบากลำบาบเช่นเดียวกับได้วางร่องรอยของตนมาแล้วจน ถ, ถึงบัดนี้ไปที่ไหนเหยียบแต่พบแต่ฉากเหยียบตั้งแต่กองทุกของตนมันยังคํำคืนยั่งลุง ทุกซ้ำทุกทุกภายนอกได้จะทุกในขันทุกภายในได้แก่ทุกภัยที่ใจแม้ทุกวันนี้ก็มีอยู่เช่นนั้นทุกซ้ำทุกทุกแล้วทุกเล่าอยู่ภายในขันเป็นอยู่ตลอดเวลาถึงเราจะไม่มีการเจ็บไข้ใดป่วยก็ตามเรื่องของทุกประจําขันต้องย่ําแล้วย่ําย่ําเล่าอยู่อย่างนั้นทุกทุกคน ทุกๆสับ ท, ท, ทุกพระณาจารก็ต้องมีย่ำกันไปย่ำกันมาจนหาที่อ่านไม่ได้เพราะเขียนซ้ำรอยกันถ้าหากว่าเราจะเขียนกาดีทุกซ้ำรอยกันก็จนอ่านไม่ออกไม่ทราบว่าซ้ำกันสักกีก่มากน้อย แล้วยังจะซ้ำไปอีกข้างหน้าสักเท่าไหร่ไม่มีประมาณเลยในชาติที่เราเห็นประจักษ์อยู่นี้นับว่าเรามีอำนาจวาสนาบาลามีมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งได้พบพระพุทธศาสนาไนวางเหตุผลอันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ แล้วหลุออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจา้าซึ่งมีดวงหัตถายันบริสุทธิ์เต็มที่บอกไว้ทั้งเหตุทั้งผลแห่งความดีความชั่วของสัตว์แต่ละลายละหลา ย, ลลายแม้พระองค์ท่านจะพนนาถึงเรื่องของพระองค์ก็คือเรื่องของเหนวนั่นเองเพราะสัจธรรมของพระพุทธเจา้าก็คือเรื่องของทุกเรื่องของสมุทัยเหมือนกันเรื่องของ มากคือข้อปฏิบัติบำเพ็ญตนเองและนิโรธะความดับทุกข์ก็จะต้องเป็นเรื่องเช่นเดียวกับเราบำเพ็ญเพื่อดับทุกข์อยู่ในบันี้เมื่อภรณนาธรรมะข้อไหนลงมาหรือตรัตธรรมะข้อไหนไว้จึงถูกกับกายกับใจของเราทุกทุกท่านไม่มีผิดเพี้ยนไปได้แม้แต่อัคระหนึ่งว่าไม่ถูกกับเรื่องของเรา เพระเหตุใดเพราะทุกก็เป็นเรื่องอันเดียวกันต่างคนก็ต่างผ่านมาและแบกหามอยู่ด้วยกันทั้งส่วนกายและส่วนใจพูดถึงเรื่องส ม, มุทยัยคือไฟเผาจิตเผาใจเหตุที่จะให้เกิดไฟเผาจิตเผาใจก็มีอยู่เหมือนกันภรวนาธรรมะข้อไหนก็เป็นเรื่องภรวนาเรื่องของหลรา ถ้าหากเราไม่เนีมองข้ามตัวของเราไปเสียโดยไปมองดูตั้งแต่เรื่องของพระโพธิเจ้าที่ท่านผ่านพ้นไปแล้วด้วยอํานาจวาสนามากมายอย่างนั้นอย่างนั้นจนลืมตัวไปเสียธรรม น, นเราก็จะไม่เห็นเรื่องของเราทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องที่จะพ ย, ยายามถอดถอนตนเองนึกอบรมตนเองให้เป็นเช่นเดียวกับพระโพธจ่าผู้สิ้นทุกไปแล้วเป็นพระองค์แลและตามเสด็จพระ อ, องค์ท่านเป็นคนที่สอง เรื่องแค่ น, นี้ก็จะไม่มีไงเราถ้าเราไม่ได้น้อมเอาหลักธรรมะที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงออกทุกบททุกบาทว่าเป็นเรื่องของเราล้นหลวั่นแล้วคำว่าโอปัญญีโกก็ไม่ไม่ทราบว่าพระพุทธเจา้จาจะตรัสสอนให้ใครทราบคือโอปัญญีโกก็คือน้อมเข้ามาพระพุทธเจา้าตรัสเรื่องไหน ก็ต้องน้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนตนเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นสอนเหล่าทั้นั้นแต่เราไม่รู้วิธีที่จะน้อมเข้ามาผลประโยชน์ก็ไม่มีอะไรสํราหงบกแต่เรื่องกองทุกข์ที่พระพุทธเจ้าไม่พึงประสงค์และมาสอนสัตว์ให้สังสมนั่นแลจักเป็นเรื่องของเราไปที่ไหนก็เจอแต่ทุกข์เกิดมาชาติไหนก็เจอแต่ทุกข์อยู่ที่ไหนเจอแต่ทุกข์ทำไมเราอํานาจวาสนาน้อยหมู่เพื่อน ทังหลายมีความสุขความเจริญรื่นเริแต่เราไปที่ไหนหาตั้งแต่กองทุกมีความโศกเศร้าโศกาก่อเราได้สั่งสมสิ่งเหล่านั้นไว้ไปที่ไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องของเราเพราะเป็นเรื่องของเราทําไมมีเรื่องกองทุกข์ข้างหน้าเราจะว่าเป็นเรื่องของใครอีกละ่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของเราผู้มีความนอนใจไม่สนใจมองดูตัวเอง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 เรื่องอดีตจะผ่านมาเท่าไรจำไม่ได้ก็าตามขอให้ถือหลักปัจจุบันเป็นที่ตัง้งเป็นสักขีพยานว่าผู้นี้แหละเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาหรือว่าความทุกข์ซึ่งเป็นอยู่นับบัดนี้แหละกับอดีตจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันข้างหน้าก็จะคือเรื่องของทุกข์อันนี้เองจะเป็นอยู่เช่นนี้มีเราก็มีจะมีทางออกไปได้เรื่องความภาคความเพียรเพื่อหนีทุกข์มันหักมีมาเอง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 ผู้ที่กลัวทุกข์อ่ต้องมีความะเกียจตะกายเชนนั้นทุดวิสัยที่ไหนแล้วก็อ่ามอบไว้กับความจําเป็นที่สุดวิสัยจริงๆถ้ากลัวบ้างกล้าบ้ังนี่มันยังมีทางเ ข, าเข้าออกๆางทีก็ขี้เกียจคิดขึ้นมาบางวันละก็กลัวทุกข์คิดขึ้นขึ้นคิดขึ้นมาบางวันละก็กล้าหานต่อทุกข์ คนทั้งโลกไหนจะไปทุกแต่เราคนเดียวเขาก็ทุกเหมือนกันกันกบเราเราจะไปกลัวทำไมไปตกนรกเอเวจีมันก็มีผู้หญิงผู้ชายหาสามีภรรยาหรือโลลิเกละครที่นั่นก็คงจะได้นะเราลองคิดดูจิไอกขียดหรือเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะ่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเขาย้ำแปลกละเอียดแล้วโยนลงไปในหม้อนั่น ในเนื้อเหล่านี้มีทั้งเมื่อสัตตัวผู้ตัวเมียแล้วไปหาครอบครัวกันในหม้อแกงมีไหมหรือเขาโยนกบโยนเกียดลงไปในหมอนะ้อมีทั้งตัวผู้ตัวเมียโยนลงไปนั้นตัวไหนมั่งที่สแสวงหาครอบครัวหาความรุ่นเงในหม้อําร้อนนั้นเม้แต่ตัวไหนก็ก็เสือกกระสนจนตายอยู่ในหม้อด้วยกันทางนั้นเลยไม่ทราบเลยว่าตัวผู้หรือตัวเมียเขาเป็นตัว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 เสือก็เป็นสัตว์นายใครๆก็ทราบอยู่แล้วแม้แต่ไม่มองเห็นตัวก็ยังกลัวเพียงได้ยินแต่ชื่อไหนเราไปเจอเพียทีเดียวเจออย่างต่างๆน่จะยอมให้เสือกินมีอย่างเลยนั่นก็สุดกําลังที่จะวิ่งจะมีห้าขาก็ต้องไปทั้งห้าขาเไม่เพียงแต่สองขาสัตว์สี่ท้าก็ต้องดิ่งเต็มเท้าของตัวเอง คน ม, มีสองขาก็ต้องวิ่งเต็มกำลังเพราะกลัวเสือนั่นความรักชีวิตมีขนาดไหมความตะเกียกตะกายก็มีเท่านั้นเหมือนกันถ้าเรารักเราสงวนจิตใจของเรามาให้สิ่งที่เป็นฆ่าศึกมากก่อกวนหรือฉุดลากให้ไปเกิดไปตายอยู่เช่นเดียวกับไปพบสจอหรือให้เสือติดอยู่เชนั้นเราก็ควรจะพยายามตะเกียบตะกายหองนรา ไม่มีสิ่งใดที่จะน่าสงสัยในโลกอันนี้ถ้าผู้มีสติปัญญาพินิพิจารณาแล้วจะเต็มไปด้วยเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่อยกันเราจะไปถามโลกไหนเข้าไปต่ปถามคนจนก็ไปเหมือนกันถามคนมีก็เหมือนกันใครจะบ่นตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนเรื่อยกันทั้งนั้นไม่เคยได้ยินเล ย, เลยว่าข้าเลียมีเงินมากแล้วข้าอยู่สามา นมียก็ถูกอกถูกใจสามีก็ถูกอกถูกใจลูกก็ถูกอกถูกใจเพื่อนฝูงก็ถูกอกถูกใจสมบัติเงินทองทุกอย่างถูกอกถูกใจทั้งนั้นไปที่ไหนเป็นที่ชอบอกชอบใจฉันไม่มีทุกยังนี้ไม่มีไปที่ไหนบนตั้งแต่เรื่องทุกข์กันยุ่งไว้หมดไม่ว่าคนทุกคนจนคนโง่คนฉลาไม่ว่าหญิงว่าชายนี้ตั้งแต่เรื่องนี้ทั้งนั้น ถ้าหากว่าเป็นของดีซะจริงๆตามความมั่นหมายของใจของเราที่เป็นไปด้วยหน้าของกิเลสถุดลาบไปแล้วใครเล่าจะต้องมีทุกพอให้ในบนกันมันก็ต้องมีตั้งแต่ความสุขความแต่ริ่นเขาก็สุขเราก็าสุขเขากรรุ่นลงเราก็รุ่นลงโลกอันนี้ก็เป็นโลกที่รุ่นลงไม่มีความทุกข์ความลำบากอะไรเลยแล้วใครจะตะเกียกตะกายหาทางออก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 เช่นเดียวกับคนที่ไม่มีความเฉรียวฉลาดไม่ใช่เป็นนักคนแลงแต่ครับคนแฝลแต่ธาตุเดินเหยียบไปเหยียบมาอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นเพชรเป็นเพชรเป็นพลอยอะไรเป็นแห่อะไรธาตุอะไรแต่เขาผููที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีความเฉรียวฉลาดชำนิํานานในทางเพียงเดินผ่านไปเท่านั้นเขาก็รู้ว่าทีนั้นมีแหนะนั่นทีนั้นมีธาตุ ที่นั่นมีเพรที่นั่นมีทองคนเหมือนกันทำไมต่างกันอย่างนั้นนี่เราก็กอดสัจธรรมกอดความประเสริฐอยู่ภายในตัวของเรานี่ยกอดทั้งดีทั้งชั่วเราก็ไม่ทราบว<ๆ>่าจะเลือกเส้นเอาอะไรคอยยกเอาหมดทั้งหลังถับปลาเขากินมันหมดทั้งก้างนั่นกินลงไปเป็นยังไง กลางมันให้คุณแก่ือ้ใด ไ, ไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดนอกจากจะทําอันตรายแก่ผู้ที่ดึงลงไปโดยไม่คิดที่พึ่งตนมาเทานั้นอืเรื่องความทุกข์ก็เหมือนกันเฉียดเข้าไปกรงไหนก็ร้อนที่กรงนั้นโดนไปหมดทั้งตัวก็ตายเั่านั้นพลไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ความเป็นไปของท่านและของสัตว์ทั้งหมดเช่นเดียวกับ นักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวลาญและชำนาญในหน้าที่นั้นเดินพุทธิไณรู้หมดพระพุทธเจ้าจึงรู้เรื่องของโลกเรื่องของทุกประจําจัดแต่ทั้งขานก็รู้ทัพสาเหตุที่จะเกิดขึ้นมาแก่ศว์ทั้งหลายให้รับความทุกข์ความทนมานพระองค์ก็รู้สาเหตุที่จะให้เกิดเรื่องความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็รู้วิธี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 นอกจากจะมาตำหนิตัวของเราแล้วน้อมตัวของเราเพื่อธรรมะคำสอนของพรพุทธเจ้ า, พจาเพื่อจะเป็นแนวทางเดินเพื่อความเกษมแต่เราไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะถือว่าเรานี่เก่งก่าพระพุทธเจา้าไม่มีนอกจากเก่งถึงเรื่องความโง่เขาเบาปัญญาเรื่องแบบละทุกมีเท่าไรแบบอาหมดเนาะ นอกจากนี้แล้วไม่มีอะไรนี้และที่มาถึงถูกทานายัางุกให้บรรณาทา่านปุปฟังทั้งหลายซึ่งนี้ก็มีอยู่ด้วยทางตักโปรได้นำไปพิมพ์พ่อแฝงนะและบำเพ็ญตามตสัิน์กํากรรความสามารถของปุยญาได้เล็ดลนะัมากน้อยเป็นสมบัติของเรา ของดีมีน้อยก็ก็ดีมีมากเท่าไหร่ก็ยิด่ดีของดีนี่ใครๆขเขาขอต้องการโตได้ทาความเข้าใจกับเรื่องความดีต่อตนเองนะอย่างนี้ถ้าจะเทียบออกไปข้างนอกบ้านดีก็ชอบใครเขาก็ชอบที่ดินดีใครเขาก็ชอบคนดีใครเขาก็ชอบเด็กดีเขาก็ชอบผู้ใหญ่ดีเขาก็ชอบ ผู้ชายดีเขาก็ชอบผู้หญิงดีเขาก็ชอบมูเพื่อนดีเขาก็ชอบสมบัติอะไรเป็นของดีใครใครก็ชอบที่ว่าของดีแล้วชอบทั้งหมดเนะมื่อเข้ามาถึงข้างในดีในใครจะไม่ชอบนะเรื่องทั้งหลายที่เป็นเหตุผ เ, เราชอบนั่นเรื่องทั้งหลายที่เราชอบนั่นคือของดีให้พยายามอบรมตนให้ดี หากจะไม่ได้พ้นจากมาตดาสงสารไปในวันนี้วันหน้าก็จะได้อาศัยสิ่งเหมือ น, นี้เป็นเครื่องพยุงหนยพชาตเหมืนั้นจะมีความสุขความเจริญเป็นลำลับลำลับว่าแดดร้อนเราก็ เครื่องติดบังกายของเราบ้างก็พอทํำลราจะไม่ร้อนเสียทั้งตูวเออาศัยอํานาจวาชนะบาลมีที่เราได้สร้างมาเป็นเครื่องติดต้องกําบังไม่ติดทั้งหลายให้ระเบิดเผาเสียหมดทั้งหลังแนววิญญาณก็ทำติดอยํางนี้ยึ่งขออำนาจอพระรัตนใจมาอธิบายนุ่งความท่าท้้งหลาย มายเอียดทั้งสี่คือยืนยนนั่งนานให้เต็ตททมประเดกจคตธรรมะสังะอารัก า, า, าและให้เป็นผู้มีโอกาสบากคณะอันเนได้บำเพ็ญคุณงามความดีตลตดอดไปโดยความประดิกฐ์จนถึงจุดหม า, านหนยปลายทางโดยที่นางคับภีร